ความไม่มีโรคเป็นยอดแห่งลาบความรู้จักพอเป็นยอดแห่งทรัพย์ความสนิทสนมเป็นยอดแห่งญาติพระนิพพานเป็นยอดแห่งความสุขพุทธภาษิตว่าด้วยเพียงพอก็พอเพียง อยากจะขอพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับคุณหมอในประเด็นเรื่องของชีวิตพอเพียงเนี่ยคะ่ะว่าในทัศนคของคุณหมอกำพลพันชนะแล้วเนี่ยมีความเห็นมีความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่างไรแล้วก็ทุกวันนี้คุณหมอใช้ชีวิตอยู่อย่างไรนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันในโบายเศรษฐกิจพอเพียงให้สําเร็จได้นี่ ผมเข้าใจว่าต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติค่ะซึ่งผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเท่านั้นแหะที่จะผลักดันได้เรื่งว่าสำเร็จก็เห็นประธานในที่ประชุมท่านก็แจ้งอะนะคะว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นแนวนโยบายที่รัฐบาลเล่นด้วยแต่จะเล่นจริงแค่ไหนเนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะอย่างที่ที่จีนีนา่าตเริ่มพุทธคัจจุตมาใช่ไหมครค่ ะ, คะผู้ดวงค อ, อยว่าสันสุถีปรามังทนัง แปลเป็นภาษาบาลีว่าความรู้จักพอนั่นแหละเป็นทรัพย์อย่างยิ่งค่ะรี่ว่าเป็นยอดแห่งทรัพย์คนะครับถ้าดูจากภาษาที่เราใช้กันทัว่วไปก็คือความพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ต้องมาดูในรายละเอียดของมันนะครับว่าความพอเพียงเนี่ยมันพอเพียงไหนถ้าแต่ละคนนี่มันมีมาตรฐานไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันจะลงมาอยู่ที่เดียวกันฮนะ คือลงมาที่ความพอใจนั่นแหละครับพอที่ใจนะค ะ, อะพอที่ใจถ้ามันไม่พอที่ใจเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอ <ขา S 2> ใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นแต่ละคนเแล้วจะมีความพอใจไม่เท่ากันค่ <ขา S 2> หรือว่าพอที่ใจไม่เท่ากันไปโดยหลักการก็คือวัตถุประสงค์ที่ให้มีชีวิตของเรามีความเป็นอยู่ด้วยความเพียงพอหรือด้วยความพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชีวิตที่พอเพียงหรือว่าชีวิตที่เพียงพอเนี่ย จะเป็นชีวิตที่เกื้อกูลหรือว่าเกื้อนหนุนนะหรือว่าอำนวยให้เราสามารถใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้มีความสงบสุขได้ง่ายนั่นเองค่ะนะโดยในเบื้องต้นก็คืออย่างนั้นแต่โดยสาระสำคัญที่สุดเนี่ยผมเข้าใจว่าการที่เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยความพอเพียงหรือว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าว่าโดยเฉพาะตัวบุคคลนะฮะก็คือเป็นไปเพื่อการสุขจิตฝึกใจของเรา แต่ถ้าว่าโดยส่วนรวมว่าโดยเศรษฐกิจหรือว่าสังคมโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อให้สังคมเนี่ยมันสงบนะครับไม่ลดโอกาสในการที่จะเกิดความขัดแย้งลดโอกาสในการที่จะเกิดการเบียดเบียนกันนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าถ้าสังคมโดยรวมมีความสงบเย็นลงมันก็จะย้อนกลับมาสู่ระดับตัวบุคคลอีกทีหนึ่งที่ตัวบุคคลนั้นเนี่ยสามารถที่จะอยู่เย็นเป็นสุข ใช่ไหมฮะไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์ซึ่งโอกาสที่เราจะทำให้เอาความอยู่เย็นเป็นสุขันนั้นเนี่ยไปเจริญสติภาวานาลั่วไปปฏิบัติธรรมให้ตัวเองพ้นทุกข์เนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆค่ะ้ะในปัจจุบันนี้เนี่ยเนี่ยมีคำกล่าวมีนโยบายต่างๆของรัฐบาลให้เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนค่ะแต่ ไม่รู้ว่ามันเป็นทุนยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าเริ่มต้นค <c oughs> ือว่าเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นหนี้ก่อนใช่ไห <c oughs> ะนะเริ่มต้นจากหนี้ก่อนแล้วก็มันจะเป็นทุนที่หลังนี่ก็แล้วแต่ว่ากันไป <c oughs> แต่ว่าในทางทำเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนได้เนี่ยเราต้องให้ครับมีเราต้องให้ให <c oughs> ถ้า <c oughs> มียิ่งเยอะ ค่ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งให้มากเท่าไหร่นั่นะแหละคือทุนแต่ก่อนที่เราจะให้ได้เนี่ยเราก็ต้องขยันหาก่อนนะคะคุณหมอครับขยันหาขายันเก็บแล้วเมื่อมีจํานวนที่เราคิดว่าพอเพียงกับการใช้ของเราแล้วเราค่อยให้ก็ไม่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับนะคะแต่ปัญหาค่ะคุณหมอคนส่วนใหญ่อาจจะขยันหาและขยันเก็บนะคะคและขยันให้มีไม่ค่อยเยอะมั้งคะจร <Yeah. S 2> ิงแล้วพระพุทธองค์เท่าที่ผมเข้าใจนะครท่านไม่ได้ ห้ามหรือว่าไม่ห้ามเลยบอกว่าการขยันหาทรัพย์ไม่ดีคแต่ว่าสิ่งที่ท่านสนับสนุนก็คือเรื่องของการใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะเรื่องของการบริจาคค่ะนะซึ่งทรัพย์ที่เป็นเรื่องของทรัพย์ภายนอกเนี่ยนะมันมีอยู่วิธีเดียวฮนะที่จะเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายในได้ได้ยินคํากลับที่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์เนี่ยค่ะต้องเกิดขึ้นจากการที่เราให้นะเอาทรัพย์นั้นเนี่ย ไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมหรือระดับบุคคลก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นการให้เป็นการบริจาคออกไปอย่างนี้จะเป็นการค้านกับแนวคิดในการที่เราจะต้องขยันหาขยันเก็บไหมคะออจะขัดแย้งกันไหไม่ค้านนะะเพราะว่าคือการทําทานหรือว่าการให้ทานหรือว่าการทําบุญเนี่ยการมีทรัพย์เนี่ยก็เป็นโอกาสนะครับในการที่ คือทรัพย์เนี่ยเราต้องมีความเข้าใจว่ามันมีความจำเป็นต่อชีวิตะนะฮะแต่ละคนมากน้อยต่างกันไปแต่โดยสาระสำคัญก็คือว่ามีผลมากต่อปัจจัยสี่นะซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานของชีวิตมนุษย์เนี่ยที่สมควรจะมีอย่างเรียกว่าไม่ขัดสนนะครับงนั้นถ้าเราสามารถที่จะหาทรัพย์ได้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาช่วยเหลือเกือ้อกูลให้คน ไม่ต้องทุกข์กับการที่ให้มีปัจจัยสี่อย่างเพียงพอเนี่ยคมันจะแปลงสินทรัพย์ที่เป็นโลกทรัพย์นี่นะไปเป็นอริยทรัพย์โลกทรัพย์เนี่ยถ้าเราทําความเข้าใจเราก็จะพบว่ามันวนอยู่แต่ในโลกนี้เนะฮะมันไปกับเราไม่ได้ไม่ข้ามภพข้ามชาติหว่างั้นเถอะครับ ค, บคแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์เป็นทุนโดยการให้ออกไปบริจาคออกไปนะไม่ว่าด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เนี่ย มันจะเปลี่ยนเป็นทุนภายในใจของเราทันทีเลยซึ่งเป็นทรัพย์ที่สามารถติดตามข้ามพบข้ามชาติไปได้เรียกว่ายิ่งกว่าฝากข้ามแบงก์เองนะฮะแต่คุณหมอคะจะให้คนเข้าใจแบบนี้เนี่ยยากนะคะอย่างแม่แต่ตัวเองเนี่ยก็ถูกฝังหัวจากความคิดของคนรอบตัวมาตลอดเวลาว่า ถ้าเรามีแล้วเราเที่ยวเอาไปแบ่งปันแจกจ่ายให้กับคนอื่นเขาเนี่ยแล้วเวลาที่เราไม่มีเนี่ยจะเอาที่ไหนจะไปขอจากใครเขาได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเก็บเอาไว้ของเราคนเดียวจริงแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้สติปัญญานะผมว่าคแต่เรื่องของก็วิธีพุทธเนี่ยถ้าว่าโดยสาระสําคัญแล้วเนี่ยต้องมีปัญญาประกอบไปด้วยอยู่เสมอคนะว่าเราจะบริหารสินทรัพย์ หรืทวทรัพย์นั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรโดยหลักการคือไม่เดือดร้อนตัวเองค่ะนะครับนี่ไม่เดือดร้อนตัวเองเนี่ยไม่เดือดร้อนอะไรค่ะนะไม่เดือดร้อนตัวเองจริงก็คือไม่เดือดร้อนใจนั่นเองค่ะเข้ใจไหมฮะส่วนร่างกายเนี่ยผมเข้าใจว่าการที่เรามีปัจจัยสี่อย่างพอเพียงพออยู่ได้ไม่ทําให้เกิดทุกข์ที่เกิดจากการไม่มีปัจจัยสี่เนี่ยผมว่าน้อยมากค่ะ ส่วนใหญ่แล้วคนที่พออยู่ที่ใจเนี่ยปัจจัยสี่ซึ่งจริงๆแล้วเราใช้น้อยมากทรัพยากรในโลกนี้ที่ใช้เพื่อเป็นปัจจัยสีเนี่ยมีไม่มากนะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักพอที่ใจเนี่ยปัจจัยสี่มันจะกลายเป็นปัจจัยสี่ที่มากเกินไปอย่ายกตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลท่านอนาติการเศรษฐีเนี่ยท่านทาบุญบริจาคทานทั้งสวายพระ ให้คนยากคนจนเนี่ยจนกระทั่งว่าทรัพย์ท่านร่อยหลอเหลือน้อยมากคุณภาพของทานที่ให้ก็ด้อยลงนะครับจนกระทั่งว่าเทวดาเนี่ยดาบเรื่องเล่านะครับเดือดร้อนนะครับเห็นว่าไม่เข้าท่าก็เลยมาเตือนว่ากันบอกท่านร <c oughs> าตินกาว่าอย่าทำเลยทานเนี่ยนะฮะให้ถอนศรัทธาออกมาซะอย่าทําเลยนะปรากฏว่าราตานีิกาเกิ ด, <c oughs> ดีเนี่ยนะ ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วคมีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวนะรู้เห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเป็นจริงของชีวิตแล้วเนี่ยท่านก็เลยไม่ได้สนใจแล้วก็นอกจากนั้นเราอย่างไล่เทวดาองคนะ์นั้นออกไปจากบ้านตัวเองอีกทัางห า, านะครัเพราะฉะนั้น ท่านให้จกนกระทั่งว่าอนาคตจะไม่มีจะ ก, กินเนี่ยแต่ว่ า, าท่านไม่ทุกข์นะท่านไม่ทุกข์แล้วท่านมีศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวงนั้นการที่เราจะให้มากให้น้อยเนี่ยโดยสาระสำคัญผมว่าอยู่ที่ใจค่ะเอาใจใ<ช>เป็นตัวตั้งเอาใจเป็นตัววัดครับค่ะเอ๊ะถเกิดว่าเราไม่มีศรัทธาเราไม่มีสติปัญญาเราไม่มีความมุ่งมั่นเราไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของบุญของกุศลเนีนะนะ เราคิดแต่จะเอาแต่ตัวเลขหรือว่าตัวเงนินนี้การให้มันจะเกิดขึ้นได้ยากาซึ่งจริงๆเ้วก็อย่างที่ทราบว่าทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันหมุนอยู่แค่ในโลกนี้ค่ะแต่คนที่ฉลาดประกอบด้วยสติปัญญาเนี่ยเขาก็จะเอาทรัพย์นี้ไปหมุนเป็นทุนทรัพย์ภายในใช่ไหมที่จะใช้เดินทางในสังสารวัฏต่อไปได้เนี่ยนั้นการให้หรือว่าการทำทานหรือวการทำบุญเนี่ย เ ป, เป็นโอกาสที่ดีมากของผู้ที่มีทรัพย์เคยผีในสมัยครั้งพุทธกาลจึงนิยมตั้งโรงทานกันถ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธานในพระพุทธศาสนาตั้งโรงทานทำบุญทำทานและที่สาคัญคือทรัพย์นั้นก็หมุนเวียนอยู่ในโลกนี้นะละฮ ะ, ะหมุนไปหมุนมาผัดกันใช้นั้นทุก ว, วันนี้ถามว่าผมทาอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็เรียกว่า ไม่ได้ฟุ้งเฟอ้อถึงคราวจําเป็นที่ต้องใช้ก็ใช้ค่ะนะครับไม่รวยแต่ว่าเมื่อจาเป็นต้องใช้เงินก็พอจะมีเงินใช้ในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหรือชีวิตพอเพียงเนี่ยเราต้องเริ่มจากขยันหาก่อนครับให้เราอดทนขยันประหยัดสื่อสัตย์ประมาณเนี้นะคะครับแล้วเมื่อเราหาได้มาเนี่ยก็ต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะครับส่วนว่าจะเก็บมากน้อยแค่ไหนนั้นต้องประเมินกันเองนะคะ ว่าท่านมีกำลังสำหรับการเก็บออมมากน้อยแค่ไหนครับบางคนอาจจะเก็บออมแค่จำเป็นจริงๆแต่บางคนอาจจะต้องเก็บออมไว้ให้เป็นขุนเข า, าก็แล้วแต่ละกันนะคะครับอันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเราต้องหาความพอดีในใจของเราให้เจอใช่ไหมคะคุณหมอครับผมก็ว่าอย่างนั้นค่ะเพราะว่าคว า, ค ว, าว่าสันโดษเนี่ยไม่ใช่ว่าหยุดนะฮะ S <S คก็ว่าสันโดษเนี่ยท่านอธิบายว่ายินดีพอใจตามกําลังนะตามกําลังที่เราพอจะมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญาเนี่ยนะถ้าเกินกว่านั้นไปแล้วทํ า, าให้ตัวเองทุกข์อันนี้แสดงว่าเราทําไปด้วยความอยากค่ <S <S นะก็ <S <S คือเกินกําลังของตัวเองแต่ว่าความอยากมันผลักดันไป <S <S อันนี้ก็สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตัวเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังต้องยินดีพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้มา นะคือได้มาเท่าไหร่ก็ยินดีพอใจไม่ใช่ยินดีเฉพาะเวลาที่ได้เยอะๆใช่ไหมคะครับถ้าเรารู้จักยินดีตามกําลังสติปัญญากําลังกายของเราเนี่ยรเราก็จะมีชีวิตที่สงบสุขได้ง่ายรเราได้มาเท่าไหร่เราก็ยินดีพอใจที่มันได้มาตามนั้นนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือเรื่องของการบริหารสินทรัพย์ที่จะทํายังไงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเราเองต่อครอบครัวต่อคนรอบข้าง แล้วที่สำคัญคือว่าทำยังไงจะบริหารสินทรัพย์ได้แบบข้ามพนข้ามชาติเป็ น, น, น, ปนการบ้านาใัญ่ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกับชีวิตเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราจะบริหารสิ่งอหล่นี้ไปเพื่ออะไระเราก็จะใช้ทรัพย์นั้นไปตามยถากรรมฝังแล้วน่ากลัวยังไงค ะ, คะใช้ทรัพย์ตามยถากรรมนี่ซื้อรถยนต์เดินละคันอะไรอย่างเงี้ยหรอคะอนอนกอดทรัพย์ยินดีกับตัวเลขที่ มีอยู่นะฮะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเป็นโมค่าทรัพย์ก็ยังว่าได้นะฮะเป็นโมค่าทรัพย์ที่ไร้ค่าคเป็นตัวเลขที่นอนอยู่ในธนาคารคแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเรานําเงินเหล่านั้นนะคมาตั้งกองทุนมาพัฒนาชีวิตคนส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการทําความดีนะใครทําความดีให้เงิน หรือว่าให้รางวัลหรือว่าสนับสนุนการศึกษาอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะผมว่ามันจะไปได้อีกเยอะเลยฮะถ้าเศรษฐีเมืองไทยรวมๆเงินกันแล้วก็มาทําตรงนี้นะก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าเศรษฐีเมืองไทยก็เยอะนะคะแล้วก็ก็เศรษฐีจริงๆอะคะ่ะดูจากเวลาที่มีสินค้าแพงๆมาขายในบ้านเมืองเราเนี่ยก็รู้สึกมีอัตราการจองค่อนข้างจะเร็วแล้วก็จํานวนมากพอสมควรนะค ะ, คะถ้าท่านเหล่านั้นได้ปันในสิ่งที่ท่านมีอยู่ มาเผื่อแผ่แกผู้ที่มีน้อยกว่าเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เกื้อกูลสังคมไทยดียิ่งนักนะคะครเรามักจะพบเห็นนะคะว่าคนมีน้อยเนี่ยให้เป็นแต่คนมีมากให้ไม่ค่อยเป็นนะคะนั้นเป็นเรื่องของบุคกรรมเขาเองแล้วก็เป็นสีนี้เขาต้องเผชิญหน้าต่อไปเพราะว่าไม่ว่าจะมีอะไรถ้าไม่มีหรือว่าใช้ด้วยสติปัญญาหรือว่าด้วยปัญญาจริงๆเนี่ยผมว่าเราก็จะหาความ สงบสุขในชีวิตของเราได้ยากจริงๆครค่ ะ, ะท้ายที่สุดมันวัดลงที่ใจเราฮะค่ะทั้งหมดนี่มันเริ่มที่ใจก่อนเน้นไอ้ตัวที่จะมาจุดจุดใจของเราได้เนี่ยมันมาจากฐานของการเจริญสติค่ะมาจากฐานของการเจริญสติจนกระทั่งว่าเราเข้าใจตัวเราเราเข้าใจว่าอะไรเป็นสมมุติอะไรคือความเป็นจริงของชีวิตที่ควรจะเป็นค่ะทัานรา้ฐานที่สาคัญที่สุดของการดูแลหรือ ว, ว่าการ ดำานินชีวิตไม่ว่าจะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับผมก็จะว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการสุขจิตล้วนๆคือสรผลิ่ใจของเราอย่างไรจึงจะทําให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นจิตใจที่เรียกว่ากิเลสตัณหาอุปาทานน้อยลงนะฮะค่ะซึ่งจิตใจแบบนั้นเนี่ยมันเป็นจิตใจที่สามารถหาความสุขได้ง่ายหาความสงบได้ง่าย แล้วก็เป็นจิตใจที่เรียกว่าเข้าถึงไม่ได้ด้วยกันมีความรู้เยอะๆะหรือว่ามีเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันเป็นจิตใจที่หาได้ง่ายจากการที่มันสลัดเอากิเลสตัณหาอุปาทานต่างๆเนี่ยให้น้อยลงไปที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการมีทรัพย์การใช้ใจ่ายทรัพย์การอดข้าวอดน้ำเรื่องการควบคุมน้าหนักลดน้าหนักนะฮะที่เรียกว่าการดูแลสุขภาพต่าง ๆ, ๆย จริงๆแล้วส า, าสำคัญอยู่ที่การฝึกจิตคสรุปมาอยู่ที่การฝึกจิตนะคะคว่าจิตเนี้ยต้องฝึกฝึกแล้วก็จะมีความพอเหมาะความพอดีของการใช้ชีวิตที่จะไม่เกิดทุกเกิดโทษเกิดเวรเกิดภัยทั้งแก่ใจเราเองแล้วก็ผู้อื่นในสังคมรอบข้างนะคะครับเพราะว่าจิตที่มีความสงบเนี่ยนะฮะอย่างมีสติปัญญาคือรู้เท่าทันเรื่องส ม, มภายนอกรู้เท่าทันความคิดตัวเองเนี่ยนะค่ะ เมื่อมันรู้เท่าทันเนี่ยมันจะมีความสุขเกิดขึ้นเองด้วยตัวมันเองโดยอัตโนมัติค่ะมันไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกเอาละค่ะความสุขอยู่ที่นี้นะคะความสุขอยู่ทางนี้นะคะใครอยากได้เดินตามมาเลยค่ะเป็นสุขจากจิตที่เรียกว่าตื่นรู้ด้วยตัวมันเองค่ะและมันจะมีความสงบสุขเกิดขึ้นภายในมันก็ไม่แสวงหาความสุขภายนอกะค่ะ ไอ้ที่มันมีความสุขภายนอกอยู่มันจะเกี่ยวข้องมันก็จำเป็นต้องเกี่ยวข้องไปแต่ว่าไม่ยึดถือคการาให้มันก็จะง่ายฮะให้แล้วไม่บาดเจ็บตัวเอง